บทที่หนึ่งสอดทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อทั้งส2องชีวิตกลับลงมาถึงบริเวณถ้าที่พักของจอมวานอนวายาสิ่งที่ทุกคนพบกับความแปลกใจอีกครั้งหนึ่งก็คือทันทีที่ก้าวเข้าไปในเวิร์กถ้าซึ่งบัดนี้ตะวันรับเหลี่ยมเขาไปแล้วและทำให้บรรยากาศขมุกขมัวลงแต่แทนที่จะมืดมิดตามสภาพอันควรเป็นไปของชีวิต แห่งการเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์กลับปรากฏว่าตามฝาผนังหินและพื้นถ้ำบางส่วนลุกววมแวมอยู่ด้วยเปลวไฟมองผาดผ่าดเกือบจะเหมือนดวงประทีปชวล า, าที่จุดไว้ในยามค่ำคืนอันเป็นวิสัยของมนุษย์ช่วยให้ภายในถ้ำมีแสงสว่างพอสมควรที่จะแลเห็นอะไรได้มีหน้ำซ้ำก่อนที่ต่างจะกลับเข้าไปถึงถ้าและห็นเข้ากับการตามไฟชนิดนั้น ก็เลยเห็นกองไฟใหญ่ก่อไว้ยังปากทางเข้าและตามโขดหินเพิงพักของเหลาวานอนทั่วๆไปก็ปรากฏว่ามีควันไฟลอยขมุงราวกระหมู่บ้านชมรมมนุษย์ยืนยันให้ทราบแน่ชัดว่าชาวนาครขีดขินรู้จักใช้ประโยชน์จากกองไฟยังไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกเจ้าลิงดำพันนินเหล่านั้นเฉวดันกอไฟไว้เป็นยอมยอมเมื่อราตรีคืบคลานเข้ามา และคงจะปฏิบัติด้วยความเคยชินเป็นนิจจสินเสมอไปในสังคมอยู่ร่วมกันของมันประหลาดนะธรรมชาตินิสัยการก่อไฟของมนุษย์นะ่ะตามปกติแล้วถ้านอกจากการหุงหาและอาศัยความอบอุ่นแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่กลัวความมืดในเวลากลางคืนมักจะใช้แสงไฟเป็นเพื่อนแต่เจ้าลิงธม์พวกนี้อยู่เหนือภาวะนั้นโดยสิ้นเชิง ไอ้จ้ว่าเพื่อการหุงหาก็เว้นไวเ้เถอะพวกมันอาจมีอารยธรรมเจริญพอที่จะรู้จักกินอาหารสุกจากไฟซะก่อนแต่ลักษณะที่ก่อสุมไฟกองใหญ่ๆไว้ตลอดทั้งคืนเหมือนคนเจะว่ามันต้องการไออุน่นหรือเอาแสงไฟเป็นเพื่อนก็ใช่ที่จะพวกนี้หนังหน า, นาขนเต็มตัวมีคุณลักษณะของสัตว์มากกว่าคนสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้แบบเดียวกับสัตว์ มันไม่น่าจะต้องก่อไฟไว้หาอะไรเลยนะ่ะชยันตั้งข้อสังเกตขึ้นขณะที่แลเห็นกองไฟและควันไฟอยู่ทั่วอาณาจักรวานอนดาเหล่านั้นเชษฐาระพิน์และคนอื่นๆก็ออกจะงงอยู่เหมือนกันที่เห็นเข้าแต่ดารินบอกว่าก็ไม่น่าสงสัยหรอกชยันถึงแม้พวกนี้จะเป็นลิงก็เป็นลิงอยู่ใกล้ฤาษีผู้สําเร็จฌานชั้นสูง ซ้ำยังมีหัวหน้าเป็นมนุษย์คนแรกของโลกด้วยนิสัยของพวกมันทุกตัวในพันนี้ใกล้เคียงกับคนเข้าไปมากที่สุดแล้วถึงธรรมชาติของมันเองอาจไม่แสนรู้เกินกว่าดิรชานสามัญธรรมดาทั่วไปนักแต่ก็มีถิ่งที่ฉลาดเหนือกว่าคอยบงการอบรมสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ทางตรงก็ทางออกแล้วอีกอย่างหนึง่งการก่อไฟของมัน อาจจะไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ไออ่นหรือแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างที่มนุษย์ต้องการอาจเป็นได้ในข้อที่ว่าเจ้าพวกนี้รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งอยู่เป็นถิ่นพำนักหรือบ้านเมืองของมันสัตว์รูของมันซึ่งเป็นสัตว์ ร, ร้ายทุกชนิดย่อมเป็นสัตว์ที่กลัวไฟและมักจะบุกรุกราวีในเวลากลางคืนเสมอความฉลาดจึงสั่งสอนให้มันก่อไฟไวสาหรับเป็นรั้ว ก, กั้น ไม่ให้ศัตรูของมันบุกเข้ามาถึงตัวได้ไง่ายๆเชื่อถ้าเห็นจริงด้วยตามข้อสันนิษฐานของน้องสาวมันก็น่าจะเป็นอย่างที่น้อยพูดนั่นแหละก็ดีเหมือนกันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองกับพวกมันอีกมากมายทีเดียวการก่อไฟในเวลากลางคืนหรือเพื่อหาหงหาของมันนี่แหละที่จะเป็นสื่อสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟนที่สุดระหว่างเรากับมัน เพราะเป็นความต้องการอย่างเดียวกันอะไรก็ตามที่ก่อไฟได้รู้จักใช้ประโยชน์จากไฟมันก็น่าจะมีสภาพเป็นคนอย่างเดียวกับเราแม้จะไม่ได้เป็นคนทางด้านชีววิทยาก็ตามสำหรับไฟที่ให้แสงสว่างอยู่ในถ้าขนาดนี้ไายหลังจากที่รบพินกับพวกพรานพื้นเมืองเข้าไปตรวจดูอย่างใกล้ชิดก็รายงานให้คณะเจ้านายทราบว่า ที่ปักติดอยู่ตามซอกผนังหินนะ่ะมีลักษณะเหมือนใต้ทําด้วยเปลือกไม้ชุบเปลือกทําด้วยท่อนไม้ชุบเปลือกซึ่งคลุกกระน้ํามันยางบางชนิดส่วนที่ลุกอยู่ในแอ่งตามพื้นซึ่งมีลักษณะเป็นเตาหรือตะเกียงขาวรเป็นน้ํามันไขสัตว์รู้สึกว่ามันฉลาดกว่าพวกแอฟริกาบางเผ่าซะอีกนะสําหรับสภาพการที่เป็นอยู่นี้มาเรีย ว, ว่า ขณะที่ยืนจ้องดูดวงประที่ประดิษฐ์ด้วยสมองอัญชานฉลาดของชาวนครลิงพวกมันคงมาช่วยกันจุดใต้เหล่านี้ไว้และคงทำเป็นประจำในเวลาตะวันใกล้ตกดินและความมืดย่างเข้ามาเพื่อปรนิบัติราชาผู้มีนามว่าวายาของมันทั้งคณะกลับเขามานั่งพักผ่อนกันตรงบริเวณมุมหนึ่งของผนังถ้าอันกองสัมภาระไว โดยไม่มีวี่แววว่าหีบห่อใดจะถูกแตะต้องขยับขยื่นในขณะที่พากันพระกันไปหมดเมื่อพักใหญ่ๆนี้ส่วนเจ้านิลเพชรและทหารของมันหมู่นั้นพอมาส่งคณะอาคัรตุกกะมนุษย์ของมันถึงที่พักแล้วก็เดินแยกหายไปกลางถิ่นของมันไม่ได้ตามเข้ามาด้วยบริเวณแวดล้อมรอบด้านหน้าปากเพิงก็มีประชากรของพวกมันค ว, วักไควอยู่ประปรายตามธรรมดา รพินเพิ่งจะมีโอกาสตรวจสอบสัมภาระส่วนตัวของเขาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับแง่ทายซึ่งกำลังรื้อถุงย่ามสำรวจอยู่อะไรก็ช่างเถอะแผนที่ลายแทงของเราฉบับนั้นนะยังอยู่หรือเปล่าระพินท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นพรานใหญ่ดึงออกจากย่ามช่วยทุกคนดูเรียบร้อยครับวายาสั่งทหารลิงของเขาให้ทำงานได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบดีมาก ข้าวของทุกชิ้นของเราไม่ได้ถูกรื้อค้นหรือทำตกหล่นเลยช่วยขนเอามาให้ครบถ้วนในสภาพที่เรียบร้อยดีที่สุดเว้นแต่อย่างเดียวไอ้ตัวทะลึ่งสนๆตัวไหนสักตัวหนึ่งที่ดันเอาลูกธนูของพระรามแง่ทรายทิ้งสะระหว่างทางโชคดีที่เดินไปพบเขาซะก่อนเขาพูดยิ้มยิมคุณพูดว่ายังไงนะว่ายาสั่งทหารลิงของเขา ให้ไปเอาตัวพวกเรามาอย่างนั้นเหรคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำสั่งหรือวงการจากเขาดารินขมวดคิ้วถามอย่างฉงนผมคาดคะเนเอาล่ะครับเราทุกคนก็เห็นแล้วนี่ครับว่าวายาและบริวารของเขาทั้งหมดไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังเลยหากแต่มีฤาษีโกทั ญ, ญะเป็นสรณะหรือเป็นพระเจ้าที่เคารพบูชาขอให้ความคุ้มครอง แผ่บารมีปกป้องอยู่ด้วยอีกไม่โดยทางตรงก็ทางออกวายาได้รับบาดเจ็บสาหัสดวงชะตาของเขายังไม่ถึงกับดับดินโกนธัญญะก็เลยอาจส่งกระแสจิตเข้าดนใจบอกความให้รู้ว่าคณะของเรากำลังเดินทางเฉียดใกล้นครนี้เข้ามาและคนหนึ่งคือแพทย์ผู้สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาไว้ได้เขาก็เลยสั่งให้เจ้านิลเพชทหารเอก คุมกองทัพออกไปต้อนเอาพวกเรามาเพื่อให้ช่วยเหลือเขาโดยคำแนะนำของฤาษีโกนทัญะไม่คุณพูดเล่นหรือเปล่านี่ระพินผมอาจพูดเล่นก็ได้แต่ก็มีเหตุผลพอสมควรแล้วครับเหตุผลยังไงโปรดคิดดูสิครับถ้าวายาไม่ได้รับรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วในสิ่งที่ผมพูดนี่ ทำไมขนาดที่คุณหญิงเข้าไปตรวจและเย็บบาดแผลให้เขาเขาจึงยอมให้ทําโดยสงบไม่ได้ขัดขืนเลยมันเป็นการบอกชัดอยู่แล้วนี่ครับสําหรับการรับรู้ว่าบริวารของเขาไปตามหมอมาเพื่อรักษาเยียวยาเขาและระหว่างวายากับบริวารลิงทั้งหมดแม้กระทั่งเจ้านิลเพชทหารเอกนั่นวายาย่อมจะฉลาดแต่ไม่ได้สมองความคิดและแผนการเหนือกว่าพวกบริวารทุกตัว ทุกสิ่งทุกอย่างในการเคลื่อนไหวปฏิบัติการของลิงดำพวกนี้จะต้องเกิดขึ้นด้วยคำบงการของเขาทั้งสิ้นส่วนในข้อที่ว่าวายาล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างราวกตาเห็นได้ยังไงนั้นก็หมดปัญหาที่เราจะมามัวคิดค้นข้องใจอยู่ต่อไปอีกแล้วกลับใดก็ตามที่เราเห็นแล้วว่าฤาษีโกนธัญะองค์นั้นเป็นผู้แผ่เมตตาอุปธมวายาอยู่ในลักษณะเดียวกับสาวกหรือลูกศิษย์ ทุกคนเห็นด้วยตามเหตุผลของพรานใหญ่ภายหลังใครครวรโดยลำดับภาพจากเหตุการณ์ต่างๆที่รู้เห็นมากับตาตนเองเป็นลำดับเราจะสะดวกปลอดโปร่งใจกว่านี้อีกมากเชียวถ้าวายาสามารถพูดภาษามนุษย์กับเราได้รู้เรื่องหมอดารินว่าผมคิดว่าข้อนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะถึงยังไงเราก็ต้องไม่เสียเวลาอยู่ที่นี่อีกนานต่อไปนะ จอมพรานพูดอย่างระมัดระวังแล้วหันไปทางท่านหัวหน้าคณะธุระของเราที่นครลิงนี่สิ้นสุดลงเพียงแค่มาช่วยเรื่องบาดเจ็บของวายาและได้ของของเราคืนไม่ใช่เหรอครับผมต้องการจะออกเดินทางจากที่นี่อย่างช้าในสายของวันพรุ่งนี้เพราะระยะเวลาตามกําหนดของเรากระชั้นชิดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับคณะนายจ้างทุกคนนิ่งกันไปชั่วขณะหนึ่ง ขณะที่แลตากันเองไปมาแต่แล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรนั่นเองหมอดารินก็พูดขึ้นอ้อมแอมตรงกับที่รพนึกคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วไม่มีผิดแต่แต่คนไข้ของฉันละ่ะนี่ใจฉันทอดทิ้งเขาไปกลางคันโดยยังไม่อาจแน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยแน่นอนแล้วยังงั้นเหรอถึงยังไงเสียหลอนก็ทิ้งนิสัยของแพทย์ไปไม่ได้ มันเกิดขึ้นจากกมลสันดานและธรรมชาตินิสัยอันอ่อนโยนกรุณาซึ่งมีให้แก่ทุกชีวิตอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวด้วยไรายสารนาน้อยมาเรียขัดขึ้นในระหว่างที่ทุกคนเงียบสแสดงให้เห็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและเฉียบขาดกว่าเพื่อนสาวภาระของเราเบื้องหน้านะมันสาคัญกว่ามากนักนะมันหมายถึงผลสาเร็จ และความเป็นความตายของพวกเราด้วยเธอลองถามตัวเองสิว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าคนไข้ของเธอจะหายปลอดภยัยจนวางใจได้แล้วก็ไปถึงเนินพระจันทร์ช้ากว่ากำหนดตามลายแทงหรือว่าจะตัดสินใจไปซะพรุ่งนี้เพื่อให้ทันกำหนดขึ้นห้าขัเดือนหน้าคิดดูสิหมอดารินอึ่งชำเลืองไปยังร่างของราชาวานน ซึ่งนอนสนิทนิ่งอยู่บนแท่นหินที่เดิมชายันเช็คสิหรือเวลากี่วันอดีตท่านทูตทหารบกหันไปถามสหายของเขาเสียงต่ำเคร่งขึงชายันก็ตอบออกมาทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบกับปฏิทินหรือนับคำนวณอะไรอยู่อีกว่าท้านับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เหลืออีกเพียงแค่เก้าวันเท่านั้นแหละกระพินพูดถูกแล้วล่ะ เราไม่มีเวลาที่จะทะเลทลายชมนกชมไม้อยู่ที่ไหนอีกแล้วนอกจากก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวถ้าคุณหมอผู้แก่จัญญาแพทย์ของเราคนนี้ยังมัวแต่ห่วงคนค้ายอยู่ก็เห็นจะต้องฝากไว้ให้เป็นแพทย์ประจําราชสํานักเมืองขิดขินอยู่ที่นี่พลางๆเอาเป็นว่าขากลับค่อยแวะมารับแล้วกันทุกคนอดยิ้มขันขั น, ขนออกมาไม่ได้ในคาพูดของชา ย, ยันหรือแม้แต่เจ้าตัวคนที่ถูกแกล้งพูดยั่วเล่นนั่นเอง น้ำใจเธอกับทุกคนจะทิ้งฉันไว้ที่นี่ทีเดียวเหรอหล่อนพูดเรียบๆถ้าไม่อยากจะทิ้งก็อย่าวุ่นวายทวงเวลาอะไรอยู่เลยนะพรุ่งนี้เห็นทีพวกเราทุกคนเคลื่อนขบวนออกเดินทางจากที่นี่ก็เดินทางตามไปด้วยกันแล้วกันเมื่อแต่ไมอิดออดล่าช้าอยู่จะหาว่าทิ้งไม่ได้นะดารินถอนใจ ฉันเห็นในความจำเป็นของแผนเดินทางของเราซึ่งจะพลาดไม่ได้แต่ก็อดเป็นห่วงวายาไม่ได้เหมือนกันไหนๆก็ช่วยเข้ามาแล้วก็อยากจะช่วยให้ตลอดฉันจะเสียใจมากและคิดว่าเท่าที่ผ่านมาแล้วนั้นฉันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยถ้าหากมารู้ภายหลังว่าเมื่อเราพละไปแล้ววายาต้องเสียชีวิตเพราะบาดแผลเกิดอักเสบเป็นพิษขึ้นมาทีหลังกุสลที่คิดจะสร้างในครั้งนี้ จะไม่เป็นผลอะไรขึ้นมาเลยน้อยพี่ว่าน้อยไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงอะไรมากนักหรอกนะน้อยช่วยเขาอย่างดีที่สุดแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าเขาจะต้องรอดปลอดภัยค่อยๆทุเลาหายขึ้นมาได้ทีหลังละ่ะในที่สุดพี่ชายก็บอกมาพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นหมอนะคะจะมาทราบดีไปกว่าน้อยได้ยังไงน้องสาวแย้งเบาๆไม่เต็มเสียงนะัก ถูกแล้วพี่ไม่ได้เป็นหมอแต่น้อยคงจะไม่ลืมข้อสนทนาระหว่างเรากับโยคีองค์นั้นหรอกนะท่านบอกกับเราว่าท่านเล็งเห็นแล้วว่าดวงชะตาชีวิตของวายาน่ะยังไม่ถึงคราวดับจึงมีปาฏิหารหิย์ในพวกเราเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเมื่อน้อยเย็บบาดแผลให้เรียบร้อยแล้วเช่นนี้ดวงชะตาของวายาเองที่ยังไม่ถึงคราวจะต้องตายก็จะต้องทําให้เขารอดฟื้นได้เองไม่จําเป็นต้องคอยเฝ้าคอยดูแล จนกว่าน้อยจะเห็นชัดออกมาว่าคขาปลอดภัยแน่ในทัศนะทางแพทย์หรอกความจริงพี่เองก็อยากจะพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งเหมือนกันเพื่อศึกษาชีวิตเป็นอยู่ของนครประหลาดนี้แต่เวลาของเรามันจํากัดจริงๆอย่างที่เห็นอยู่แล้วนะตกลงค่ะน้อยก็จะไม่แย้งอะไรอีกแล้วในข้อนั้นพรุ่งนี้เราจะเริ่มเดินทางต่อก็เอาดารินตัดสินใจภายหลังจากเล็งเห็นแล้วว่า ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นกระพินรอบถอนใจอย่างโล่งอกตลอดเวลาเขานิ่งเฉยซะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างใดทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะนายจ้างที่จะหารือกันเองตามลำพังเพราะถ้าขืนพูดอะไรมากก็คงไม่แคล้วถูกน้องสาวคนสวยของนายจ้างบริพาศเอาวาเป็นคนใจดำอย่างที่เคยโดนกล่าวหายอยู่บ่อย ระยะระหว่างนั้นแง่าสายยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าและมองสุดตาเขางี่บเงียบอย่างอ่านใจอ่านความรู้สึกกันออกระพินสอบในแผนที่แล้วยังว่าเราออกนอกเส้นทางมาสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อตกลงกับน้องสาวได้เรียบร้อยท่านหัวหน้าคณะก็ถามเขาอย่างเป็นงานเป็นการแทบจะเรียกว่าไม่ได้ออกนอกเส้นทางตามลายแทงเลยล่ะครับคุณชาย ถิ่นที่อยู่ของลิงพวกนี้คือหมู่เขานิลการที่ระบุว่้ในแผนที่นั่นเองครับตามปกติเราก็จะต้องเดินผ่านเขาหมู่นี้อยู่แล้วถ้าจะเสียเวลาไปบ้างก็เพียงชั่วไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเพราะแทนที่เราจะเดินผ่านทําเวลาได้อีกเล็กน้อยก่อนตะวันตกดินเราก็มาหยุดกั น, นที่นี่ก่อนกลางคืนะไม่ต้องปูดถึงแล้วครับเพราะถึงยังไงเราก็ต้องนอนพักอยู่แล้ว เชษาและทุกคนสีหน้าแช่มชื่นขึ้นโชคดีมากนะโล่งอกไปทีว่าแต่ระยะเวลาที่เหลืออีกเก้าวันนี่ดางความรู้สึกของคุณพอจะไหวไหมจะทันหรือเปล่าดูจากเส้นทางระยะนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคหนักใจอะไรอีกแล้วนะครับภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงเนินพระจันร์ ถึงยังไงเราก็พยายามทําเวลากันอย่างเต็มที่ผมกักว่าถ้าเราไปถึงที่นั่นก่อนกําหนดเวลาสักหนึ่งวันก็จะยิ่งดีแหละครับพรานใหญ่ตอบและก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อ น, นั่นเองต่างก็ต้องเลี้ยวกลับมาที่จอมวานอนเพราะเห็นอาการเคลื่อนไหวแขนขาและศีรษะที่พยายามจะสงกขึ้นวายาก็ากำลังจะลุกขึ้นมาแล้วมาเรียร้องลั่นออกมา ทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันหมดราวกันนัดกันไว้และปลาดตรงเข้ามาล้อมรอบแท่นนั้นโดยเร็วดารินกมามเรียดูเหมือนจะเป็นสองคนแรกที่เข้าถึงตัวพยาวานอนก่อนใครอื่นต่างช่วยกันกดไหลมนุษย์ลิงไว้พร้อมกับร้องบอกละล่ำละลักให้นอนลงตามเดิมแต่ร่างอันใหญ่โตมาคือมายิ่งกว่านักมวยปล้ำขนาดหนักของโลกนั้นไม่ยอมฟังเสียงคอยผงกศรีษะดึงกายขึ้นมาอย่างเชื่มชา จนกระทั่งมาอยู่ในท่านั่งตระงานโดยที่แรงของทั้งสองหญิงไม่สามารถจะบังคับรังไว้ได้เร็วช่วยกันพยายามให้เขานอนลงตามเดิมประเดี๋ยวแผลที่เย็บไว้ก็แยกเท่านั้นเองดารินพูดเร็วปรือร้องบอกพักพวกทุกคนที่ตามเข้ามามุงอยู่โดยรอบพวกพลานพื้นเมืองขยับจะปฏิบัติตามคำสั่งของหมอดารินโดยการกรูกันเข้าไปกดรางกายวายาให้นอนลงตามเดิม แ, แล้วก็พากันชะนักตกใจกันไปหมดด้วยพละง ก, กาลังจากแขนที่ยกขึ้นเวียงกราดอยู่ไปมาเชิงห้ามไม่ให้พวกนั้นเข้าไปแตะต้องตัวเฉยไว้อย่าเพิ่งไปถูกต้องตัวเขาระพินรีบสั่งมาโดยเร็วปล่อยเขานั่งตามที่เขาต้องการก่อนจากคําสั่งนั่นเองทุกคนจึงนิ่งกันไปได้แต่จ้องร่างนั้นในระยะใกล้ขมิง เพื่อสำรวจดูปฏิกิริยาเคลื่อนไหวต่อไปจอมวานอรหรือมนุษย์ในยุคต้นประวัติศาสตร์อันเป็นเจ้าผู้ครองนครลิงดำทั้งหลายหยุดปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวแขนทั้งสองด้านลงเช่นกันเมื่อเห็นมนุษย์ที่แวดล้อมพากันยืนนี่เเขานั่งทรงกายงอคุ้มส่วนบนลงเล็กน้อยคงเนื่องมาจากบาดแผลที่หน้าท้องซึ่งดารินเย็บไว สีหน้าเย็นกระด้างยากที่จะอ่านความรู้สึกหายใจรวยๆแผวเบาค่อยๆกวาดสายตาอันแข็งกระด้างลักษณะเกือบจะเหมือนตาสัตว์มองหน้าอาคันตุ ก, กะมนุษย์ไปทีละคนรอบดัดจนกระทั่งมาเรียและดารินผู้ยืนอยู่ชิดแท่นด้านขวาเป็นคนสุดท้ายตาคู่นั้นจ้องอยู่ที่ราชสกุลสาวครูใหญ่ ปรากฏวาวแสงเรืองประหลาดกระทบกับไฟจากใต้ที่ปักไว้ริมผนังใกล้ๆกับแท่นหินแล้วมืออันใหญ่โตเต็มบปด้วยพลังค่อยๆยกขึ้นเอื้อมมาจับที่ข้อมือของหมอดารินอย่างเบาๆดึงไปวางไว้บนศีรษะของตนเองทุกคนตะลึงมองต่ออากับกิริยาแสดงออกชนิดนั้นแม้แต่หมอดารินเอง ถึงไม่อาจส่งภาษาเข้าใจกันได้แต่ปฏิกิริยาชนิดนั้นทุกคนก็ย่อมเข้าใจได้ดีที่สุดว่ามันหมายถึงอะไรแพทย์สาวนักมนุษยวิทยายิ้มให้พร้อมกับเอ่ยเป็นถ้อยคำออกมาว่าทำใจให้สบายเธอวายาเธอจะปลอดภยัยและหายเป็นปกติในไม่ช้านี้พวกเราทุกคนเป็นมิตรกับเธอนะ มนุษย์วานอนเงี่ยหูสดับฟังคำอันอ่อนโยนนั้นอย่างมึนงงและทุกคนก็แทบผงะเต็ไมไปด้วยความสิ้นหวังระคนสังเวชใจเมื่อปรากฏเสียงเปล่งออกมาจากลำคอนั้นอ่อแอ้สูงสูงต่ำๆ่เหมือนเสียงนกเสียงกาดังกล้องไปทั้งบริเวณถ้าพร้อมกับอาการทำมือทำไม้ประกอบวายาต้องการจะพูดกับทุกคน แต่เขาก็พูดภาษาของเขาแต่ละวลีหรือคำพูดที่หลุดออกมาจากลำคอขนาดมาเรียฮอฟมันผู้ชำนาญการพิเศษในทางนิรุกติศาสตร์ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นภาษาอะไรโอพระเจ้าแ ม, ม่สาวหลับตาลงพร้อมกับครางออกมาต่เท่าบุญคำทาหน้าตื่นเลือกหลักกระซิบพรานใหญ่ว่าสเสกันนาย พระเจ้ากรุงขีดขินของบุญคมพูดภาษาช้างภาษามาแบบนี้อีกร้อยปีก็พูดกันไม่รู้เรื่องไหนเชฐิฐถาชยันระพินและพรานทั้งหมดกระพริบตาปริบ ป, ปริบมองหน้ากันอยู่ส่วนดารินทำหน้าเหมือนจะร้องไห้สันหน้าไปมาอย่างอัดอั้นตันใจทำยังไงกันดียเนี่ยท่านหัวหน้าคณะหัวเราะขึ้นกร่อย เอ่ยเป็นเชิงหารือไปยังทุกคนอย่างกลุ่มใจรู้สึกว่าพระองค์อยากจะรับสั่งอะไรกับพวกเราอยู่มากทีเดียวพวกเราแย่เองฟังกระแสรับสั่งไม่ออกซะนี่ชา ย, ยันพูดบนหัวร้อหื้แล้วพองคอออกเสียงหนักๆเรียนสำเนียงนั้นส่งภาษาส่งเดช ท, ทำมือทำไม้ออกไปบ้างด้วยอารมณ์ที่อดสนุกไม่ได้หมอดารินมีความเศร้าสังเวชใจ มากกว่าที่จะสนใจกับอาการตลกของเพื่อนชายได้หันมาซัดด้วยหลังมือนี่หยุดทำตลกบ้าๆเถอะตีดยชยันทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นป็นเรื่องเล่นไปหมดเรากำลังจะหาทางติดต่อเขาด้วยคำพูดให้ได้เขาพูดได้เหมือนกันผิดกับเจ้าลิงบริวารพวกนั้นหลอดเสียงของเขามีอย่างมนุษย์เราธรรมดานี่เองเพียงแต่เขาพูดภาษาของเราไม่ได้ งั้นก็พยายามแปลก็สิเผื่อจะพูดกันได้รู้เรื่องบ้างชายันพูดมาอย่างเยาะเยะดารินกัดริมฝีปากแน่นและในทันทีนั้นเองหล่อนก็พนมมือขึ้นเหนือซวงอกเสียงอธิษฐานขึ้นดังๆว่าข้าแต่ฤาษีโกนทัญญะถ้าพระคุณเจ้าศักดิ์สิทธิ์มิริจริงก็โปรดสำแดงปาฏิหาริย์ให้เห็นประจักษ์ตาในครั้งนี้ด้วยเถิด ประจงเข้าดินใจวายากําหนดให้ลิ้นของเขาพูดออกมาในภาษาที่พวกเราฟังรู้เรื่องเข้าใจได้เท่าเท่ากับที่ให้เขาเข้าใจเราด้วยทุกคนเงียบกริบไปหมดนึกไม่ออกว่าหมอดารินเกิดความคิดอะไรขึ้นมาชายันกําลังจะอ้าปากร้องฮี่ออกมาแต่แล้วก็อ้าปากค้างลืมตาเหลือกลานอยู่กับที่ ทุกคนก็ตะลึงตัวแข็งกันไปหมดในสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นวายาได้ยินวายาเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแล้วนายหญิงพูดเจริญเสียงแหบห้าวนั้นผ่านออกมาจากลำคอของมนุษย์วานอนอย่างแช่มช้าชัดเจนเรากับทุกคนกำลังฝันไปคนอื่นจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรก็แล้วแต่ าว่าคนที่เสียงอธิษฐานเองบัตรนี้แทบช็อกวายาร้องลั่นออกมาริมฝีปากอันกว้างใหญ่หนาทึบนั้นค่อยๆสยายยิ้มออกไปในวาระแรกช่วยใบหน้าครึ่งลิงครึ่งคนนั้นแลดูมีชีวิตจิตใจและเดียงสาขึ้นก้มศีรษะพร้อมกับเอามือทุบ อ, อกที่ตนเองเบาๆใช่แล้วข้าคือวายา วายาผู้ครองนครอาณาจักรแห่งขุนเขานิลการนี้นายหญิงดารินแข็งเป็นหินไปชั่วขนาส่วนมาเรียฮอฟมั่นที่ว่าสติสัมปชัญญะมั่นคงที่สุดนั้นบัดนี้ถึงกับเข่าอ่อนเป็นลมไปด้วยความตกใจทำท่าจะรูดลงไปกองอยู่กับพื้นเงยสายกระบุญคำคว้าไว้ได้ทันก่อนที่หลอนจะจังเบาลงไปช่วยกันประคองออกไปนั่งพักตรงมุมหนึ่ง แม่สาวขวัญนี้ดีฟอยิ่งกว่าถูกผีหลอกระหว่างความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินนั้นจอมวานอนกวาดสายตาไปตามใบหน้าอันตื่นเต้นตกตะลึงของทุกคนอีกครั้งพร้อมทั้งกล่าวต่อมาว่าข้ารู้จักพวกท่านทุกคนแล้วนายใหญ่ผู้นำคณะสหายติดตามผู้ปากเปราะ พร้อมกับผู้ย่างอาจหาันดังกล้องวายามองหน้าระไปทีละคนหญิงผมทองผู้มีสเสน่ห์ชายผู้ถือธนูสายฟ้าอันมีที่มาลึกลับพระนำทางผู้ยิ่งใหญ่บริวารผู้ติดตามทุกผู้และนายหญิงผู้การุ่นซึ่งช่วยชีวิตของวายาวายัย นายหญิงขอพอรจากฤสีโกนทัญญะเพื่อให้ลิ้นของวายาพูดภาษาของเหล่าท่านได้เพื่อให้หูของวายาฟังเข้าใจบัดนี้วายาได้รับพรนั้นแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งที่ติดต่อกับพวกท่านนานทีเดียวกว่าที่ทุกคนจะสางตะลึงได้สติรู้สึกตัวขึ้นมา จากปรากฏการพิสดารเกินเชื่อนี้ดารินนั้นพอเกิดปฏิหารมนุษย์วานอนพูดได้จริงๆหล่อนเองกลับพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะชายั น, เ อ, นเอานิ้วเขียวหูแรงๆพูดอะไรไม่ออกเช่นกันได้แต่มองหน้าระพินแล้วทำปากหมุบมิบแต่ไม่มีเสียงใดๆผ่านลำคอจิงมีแต่เชิดฐาเท่านั้นที่ควบคุมความรู้สึกได้เหนือทุกคน ท่านหัวหน้าคณะเคลื่อนเข้าไปจนชิดแท่นที่วายานั่งอยู่ยิ้มให้วายานี่เป็นความจริงเหรอที่เจ้าพูดภาษาของเราให้พวกเราได้ยินชัดเจนอยู่ในขณะ น, นี้หรือพวกเราพากันเสียสติหูฝาดไปพร้อมกันหมดจอมวานอนเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ท่านหัวหน้าคณะนานาใหญ่หูของท่านและพวกท่านทุกคน ไม่ได้ฟาดไปหรอกวายาพูดภาษาของท่านได้ฟังท่านเข้าใจในขณะนี้เพราะพระโกธยมุนีฉายแสงสว่างแห่งภาษานั้นให้แก่วายาตามที่นายหญิงวิงบอลวายาเองเมื่อแรกแม้จะรู้ว่าพวกท่านเป็นใครมีเจตนาแห่งความการุณและประสงค์มิตรกับวายาเช่นไร แต่ก็อุปมาพวกท่านประดุดเงาอันดำมืดเท่านั้นแต่บัด น, นี้มีแสงสว่างฉายให้วายาเห็นชัดเจนแล้วแสงสว่างแห่งความเข้าใจเชษดทาและทุกคนขนลุกชันขึ้นทั้งตัวอีกครั้งอดีตท่านทูตทหารบกมองไปทางน้องสาวสีหน้าของเขาเต็มไปได้วยความปรีตยินดีเหลือที่จะกล่าว น้อยหรือสีกนธัญญะสำแดงอิทธิปาติหาในพวกเราทุกคนชัดกระตายอย่างที่สุดแล้วสมตามคำที่น้อยอธิษฐานน่นนี่ทำไมยังยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นล่ะพูกกับเขาสิถูกปลุกตือนด้วยคำพูดเช่นนั้นหมอดารินจึงเพิ่งจะขยับขยื่นกายได้กัดดินฝีปากของตนเองจนรู้สึกเจ็บเพื่อแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ได้ฝันไปวายาเธอได้ยินที่ฉันพูดเดี๋ยวนี้ไหม หลอนกล่าวด้วยเสียงเครือสันไปด้วยความรู้สึกอันแทบระงับไว้ไม่ได้มนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์ะงกหัวลงวายาได้ยินนหนหญิงฤาษีโกนธัญญาศักดิ์สิทธิแท้พวกเรายินดีเหลือเกินที่มีปฏิหารมาช่วยทำให้เราสามารถพูดเข้าใจกับเธอได้ทั้งๆที่มือแรกรู้สึกสิ้นหวงัง วายาก็ยินดีเช่นเดียวกันนายหญิงเอาละ่ะทีนี้ก็เห็นจะคุยกันได้ถนัดเสียทีละระหว่างอาคันตุ ก, กะต่างแดนกับพระเจ้ากรุงขีดขินชยันโพล่งขึ้นอีกแต่แล้วก็ต้องชะ ง, งักเพราะดารินโลกมือแล้วชี้หน้าสั่งหุบปากก่อนชยันใครก็ตามอย่าเพิ่งรบกวนวายาในขณะนี้เป็นอันขาดเขากำลังเป็นคนป่วยและอยู่ในความดูแลของฉัน ขอให้เป็นหน้าที่ของชั้นคนเดียวก่อนในระยะนี้พลางหลอนก็หันมาทางจอมวานอนวายาบอกชั้นสิว่าตอนนี้เธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับบาดแผลนายหญิงวายารู้สึกดีขึ้นมากคงรอดตายแน่ในครั้งนี้แต่เธอควรนอนลงนอนพักนิ่ง ไม่ควรจะขยับขยื่นตัวโดยไม่จำเป็นหรือลุกขึ้นมานั่งอย่างนี้นะวายาดวงตาคู่นั้นมองไปที่หมอดารินด้วยประกายอันเปียมไปด้วยความกะตันยูรู้คุณวายาอยากนั่งนายหญิงเพราะวายานอนมาหลายเพลาแล้วแต่วายาจะไม่ลุกขึ้นเดินจนกว่าแผลจะทุเลา นายหญิงให้วายานั่งสักครู่เถิดบุญคุณที่นายหญิงช่วยวายาไว้ในครั้งนี้วายาจะไม่ลืมขอให้ในายหญิงและพวกจงพักอยู่ในถิ่นของวายาให้สบายเถิดวายาและวานอนทุกตัวแห่งเขานิลาการขอต้อนรับดารินยิ้มอย่างแช่มชื่นเอื้อมมือมาจับแขนอันให ญ, ญ่โต ปกคลุมไปด้วยเส้นขนสีน้ำตาลนั้นบีบเบาๆขอบใจมากวายาในไมตรีจิตและการต้อนรับอันดีของพวกเธอในครั้งนี้เมื่อแรกนะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเกือบทำให้เราทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันโดยสุดจริตจริงแล้วนะเราไม่มีเจตานาจะสร้างศัตรูกับชีวิตใดๆเลยทั้งสิ้นตามทิศทางที่เราบุก บ, บัน่นรอนแร ม, มานี้ เว้นแต่จำเป็นจะต้องป้องกันตัวเท่านั้นและเราก็รู้สึกยินดีและเต็มใจยิ่งที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าวายากำลังได้รับอันตรายเราคอยการช่วยเหลืออยู่จอมวานนอนพระเจ้ากรุงกิดขินของชยยันถอนใจเฮือกลักษณะท่าทีของเขาเกือบจะกลายเป็นเช่นมนุษย์สามัญธรรมดาคนหนึ่งนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ลิ้นสามารถพูดภาษาคนได้ ตาที่มีประกายส่อความรู้สึกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นตลอดระยะเวลาระหว่างนี้ทุกคนนิ่งเงียบปล่อยให้ดารินทาหน้าที่สนทนาโต้ตอบกบวายาตามลาพังและคอยฟังอยู่นายหญิงวายาต้องขอโทษนายหญิงและพวกของนายหญิงทุกคนที่นีลาเอาทหารวานอนไปคุมตัวคณะของนายหญิง เพื่อให้มาช่วยรักษาวายาตามคำสั่งของฤาษีโกนธัญญะแต่นีลาก็คงไม่กระทำการใดๆที่ไม่สมควรลงไปดารินขมวดคิว้วชำเลืองแวบดูหน้าผักพวกทุกคนแล้วถามว่าใครคือนีลานีลาคือลิงธรโมนูใหญ่ตัวหัวหน้าที่ขุมทหาร ไปล้อมพวกนายหญิงและนําเดินทางมาที่นี่งไงทุกคนเพิ่งนึกขึ้นมาได้มองหน้ากันเองตื่นตื่นอ๋อคุณธรรมล์ศักดิ์ของฉันนั่นเองไอ้จ่าฝูงจอมทะลึ่งตัวนั้นเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่ามันมีนามก้อนว่านีลาฮเขาข่าวทีเดียวละ่ะแต่คําเรียกได้ถูกต้องที่สุดที่เรียกมันว่าไอ้นีลาเพช เชยันอดไม่ได้ที่จะพล้งมาดังๆบนหัวเราะขณะนั้นมาเรียเพิ่งจะตั้งสติสำรวมจิตใจได้เดินกลับเข้ามาร่วมมุงอยู่ที่แท่นหินของวายาอีกครั้งและได้รับทราบข้อความสนทนาโต้ตอบโดยตลอดจากเชิดาแม่สาวไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นนอกจากจ้องมองดูการผู้จาโต้ตอบนั้นอย่างสงบด้วยความตื่นงง นีลาของเธอฉลาดมากนะดารินพูดบอกความกับวายายิ้มยิ้มเขาสามารถต้อนเอาพวกเราทั้งหมดมาได้อย่างสงบราบคาบที่สุดถ้าเขาโง่กว่านั้นแม้แต่เพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละแทนที่พวกเราจะได้มาพบเห็นเธอผู้กำลังนอนเจ็บอยู่ที่นี่และสามารถทำความเข้าใจกันได้ก็อาจต้องทำสงครามกับบริวารของเธอสก่อนแน่นอน เอาละวายาโดยลิ้นของเธอที่สามารถจะพูดและเข้าใจภาษาของเราได้จากอิกทธิอำนาจของฤาษีกนธัญญะนี้ถ้าเรามีคำถามเธอจะให้คำตอบแกเราได้หรือไม่วายาชะงักนิ่งไปขณะหนึ่งเหมือนจะมีอะไรผ่านเข้าไปในดวงจิตต่อมาตึงตอบช้าๆว่านายหญิงผู้เจริญ วายาจะตอบคําทุกคำเท่าที่วายารู้เท่าที่ฤษีโกนทัญจะเปิดลิ้นให้แกวายาได้ถ้าเช่นนั้นจงฟังให้ดีนะวายาคำถามแรกของเราก็คือเธอเป็นมนุษย์เป็นคนแต่ประชากรบริวารทั้งหมดภายใต้การปกครองของเธอนเป็นลิงเธอซึ่งเป็นมนุษย์ชาตเพียงคนเดียว ท่ามกลางลิงดำพวกนี้มีความเป็นมาเช่นไรจึงมาอยู่ร่วมกันได้พ่อแม่บรรพบุรุษของเธอเป็นใครสืบเนื่องกันมาอย่างไงเธอจึงได้มาปกครองอาณาจักรลิงดำนี้และคงสภาพนี้มานานเท่าไหร่แล้วล่ะความเงียบบกคลุมสถานที่ชั่วขณะจิต ครั้นแล้วก่อนที่วายาจะขยับปากตอบคําของดารินนั่นเองก็ปรากฏเสียงการเคลื่อนไหวกันอย่างฉุกละหุกพล่านผิดปกติเกิดขึ้นตรงบริเวณปากทางเข้าเวิงท้ำพวกลิงดำหลายตัววิ่งกันอย่างควักคว่และพริบตาต่อมานีลาทหารเอกของวายาอันเปรียบเสมือนขุนทับวานอนมีตำแหน่งรองลงไปจากเจ้าของมันก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาด้วยตีนทั้งสี่ข้าง ตรงมาที่แท่นของวายาอย่างรีบด่วนใช้มือทั้งสองข้างแหวกทางบัดเอาพวกพรานพื้นเมืองที่มุงอยู่รอบแท่นถอยห่างกระจัดกระจายออกไปหมดตัวมันเองปราดเข้าชิดแท่นของพยาวานอนเต็ม ไ, ไปด้วยความตื่นเต้นลุกลนส่งภาษาบอกความเจ้านายเสียงสูงสูงต่ําๆ ต, ตามสำเนียงของหลิงมนุษย์วานอนตาลุกสว่างโสดขึ้นในทันทีนั้นยืดกายตรงขึ้นเอี่ยวร่างกายท่อนบนไปรอบๆบ เหมือนจะมองหาอะไรอย่างหนึง่งแล้วตาก็แลจับไปที่ตะบองหินใหญ่ที่วางพิงอยู่ริมผนังห่างจากแท่นออกไปเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นวายาบอกสิดารินร้องถามอย่างละล่ำละลักพยายามใช้มือจับไหลอันกว้างใหญ่นั้นกดไว้ทุกคนของฝ่ายมนุษย์ที่รายล้อมอยู่ก็พากันตื่นกระหนกประหลาดใจกันไปหมดในพฤติการันผิดแปลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างจูโจมกระทันหันนั้นต่างร้องถามวายาเป็นเสียงเดียวกันหมดมาเรียนนั้นหันไปถามเจ้านีลาแต่ก็ปราศจากผลเพราะไม่อาจจะเข้าใจความการชนิดคำต่อคำได้เจ้าธมุนใหญ่คงส่งเสียงไปตามภาษาของมันพร้อมกับแสดงอาการลุกลนเหมือนจะพยายามบอกอะไรฝ่ายมนุษย์อยู่เช่นนั้นวายากำลังกระสับกระส่าย และมีท่าเหมือนจะขยับตัวลงจากแท่นเชิดถาชยยันและรับพินจึงช่วยกันเข้ายึดตัวไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวายาเจ้าต้องนอนอยู่กับที่ตรงนี้เจ้าจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เป็นอันขาดมิฉะนั้นเจ้าจะต้องตายเพราะบาดแผลเชิฐาตะกนลั่นเมื่อ น, นั้นเองวายาจึงชะงักหายใจหอบแรงสีหน้าทมึงทึง น่ากลัวตาเป็นประกายลุกจ้าวายาทำไมเธอไม่บอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนีลามารายงานกับเธอเรื่องอะไรดารินถามซ้ำเร็วปรือเขย่าที่ไหลนั้นจอมวานอนเสแยริมฝีปากออกมาจนแลเห็นฟันแต่ละซี่เกือบเท่าหัวแม่มือและเขี้ยวทั้งสี่ข้างซึ่งแหลมยาวพอๆกับเขี้ยวลิงใหญ่ทั่วไป นายหญิงศัตรูเก่าของวายาแล้ววานอนทุกตัวแห่งเขานิลการนี้เจ้าตัวสามเขามันล่วงแดนเข้ามาแล้วทางไหลเขาด้านใต้มันจะมาเอาชีวิตวายาและพวกของวายาทุกตัววายาต้องสู้รพิน์ไทรวันก้าวเข้าไปจนชิดจอมวานอนแล้วเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกก่อนที่ทุกคนจะสางจากตะลึงว่า วายาอย่าวิตกหรือตื่นเต้นมีกังวลไปเลยกราบใดก็ตามที่พวกเราทุกคนยังอยู่ในดินแดนของเจ้านเราจะไม่ยอมให้ศัตรูใดเข้ามาเบียดเบียนราวีเจ้าและพวกของเจ้าได้เป็นอันขาดเราจะรับมือมันไว้เองโดยไม่ให้พวกเจ้าต้องเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เดือดร้อนกันมาแล้วเจ้าอ้างว่าเจ้ารู้จักเราแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าก็ควรจะรู้ ว่าเราคือรบพินไรวันผู้ซึ่งไม่เคยวันเกรงต่อสัตว์ใดในพิภพนี้เจ้าจงทําใจให้สงบและนอนพักอยู่นี่เถอะเจ้ายังเป็นคนเจ็บป่วยไม่อาจทําศึกสงครามสู้รบกับใครได้ทั้งสิ้นถ้าเจ้าขยับตัวลงจากแท่นนี้เมื่อไหร่เจ้าจะตายก่อนที่จะได้ประจันหน้ากับศัตรูจอมวานนอนชะงักงันไปอีกครั้ง จ้องตามมาที่พรานใหญ่ขมิงขณะนั้นพักพวกทุกคนรวมทั้งดาริงก็ช่วยพูดกันวิงวอนมาเป็นเสียงเดียวกันหมดให้เขาสงบอยู่กับที่พร้อมกับยึดตัวไว้มัน่นส่วนเจ้านีลาปราดไปที่ตะบองใหญ่ของราชาของมันลากออกมาทำรรการเหมือนจะส่งให้แต่ก็ต้องชะงักเช่นกันเพราะมาเรียปราดเข้ามาขวางหน้าห้ามไว้ยานีลา เจ้ควรจะต้องรู้นะว่านายของเจ้านายยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้หรือเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นหล่อนร้องพร้อมกระบกมือธรรมาการบ้าหใบประกอบคํานีลามหมุนตัวอยู่ไปมาอย่างกระวนกระวายใจออกเสียงทีทีในลําคออยู่ตลอดเวลาว่ายาเปล่งเสียงในสำเนียงเดียวกับที่ทุกคนเคยได้ยินครั้งแรกกับบริวารของเขานั่นเป็นการส่งภาษาโตตอบระหว่างมนุษย์วานอน กับลิงแท้ๆอันเป็นสาวกขณะเดียวกันก็เปลี่ยนสายตามาทางระพินวายารู้วายารู้จักท่านพรานผู้ยิ่งใหญ่รู้จักโดยการบอกของฤาษีโกนทัญญะแต่ตัวสามเขากำลังจะเข้ามาถึงถิงของวายาแล้วมันโกรธแค้นมันอาฆาต ที่วายะกับพวกถ้าคู่ของมันตายวานอนทั้งหลายจะล้มตายรับหน้ามันไม่อยู่ถ้าวายะถ้าวายายังนอนอยู่กับที่เช่นนี้สำเนียงนั้นบอกอย่างชัดถ้อยกระทงความได้ความจักแจ้งที่สุดวายาฟังเรานะระพินพูดช้าๆหนักแน่น สิ่งที่เจ้าจะทำได้ขณะนี้ก็คือสั่งนีลาทหารเอกของเจ้าสั่งนีลาและพวกลิงบริวารทั้งหลายให้ออกไปลาดระเวนซุ่มดูตัวสามเขาวไว้เพียงแต่ดูเท่านั้นนะอย่าให้ลิงตัวใดเข้าปะทะต่อสู้กับมันเป็นอันขาดแล้วถ้ามันบุกรุกเข้ามาจนถึงเขตเมืองที่อยู่ของพวกเจ้าเมื่อไหร่ก็จงกลับมาบอกโดยเร็ว เราจะออกไปจัดการกับมันเองระหว่างที่วายายังลังเลอยู่นั้นเชษฐาก็ย้ำคำมาอีกคนหนึ่งจงเชื่อและวางใจในสิ่งที่พรานใหญ่พูดถว่ายาเราทุกคนในที่นี้ขอรับรองว่าจะไม่ให้ตัวสามเขาบุกรุกเข้ามารังควานเจ้าหรือพวกกลิงบริวารของเจ้าได้นายใหญ่เชื่อหรือ ว่าจะปราบมันได้มันเป็นสัตว์ใหญ่โตมีกําลังมากให้มันใหญ่โตและมีกําลังมากกว่านั้นสักสิบเท่าเราก็ปราบมันได้ไม่ยากเรามีอาวุธทรงอํานาจมีแม้แต่ถนนสายฟ้าที่สะพายอยู่บนไหล่ของแง่ใายผู้นั้นพร้อมกับพูดเชิดถาชี้ไปที่แง่ใสย พระเจ้ากรุงขีดขินมองหน้าไปทีละคนอีกครั้งและไปจับนิ่งอยู่ที่แง่ทรายตลอดเวลาระหว่างนี้นีลาเจ้าทรโมโณทหารเอกไม่ได้สงบนิ่งอยู่กับที่เลยมันกระโดดโลดเต้นส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาท่ามาการที่ทุกคนรู้ดีว่าจะชักชวนเจ้านายผู้บาดเจ็บของมันไปให้ได้วายาทำไมถึงไม่เชื่อฟังเราบ้างล่ะ บอกนีลาออกไปคอยดูตัวสามเขานั่นก่อนตามที่พรานใหญ่สั่งถึงยังไงเธอก็ออกไปสู้กับมันไม่ได้หรอกดารินพูดอย่างร้อนใจเมื่อ น, นั้นเองจอมวานอนจึงยอมปฏิบัติตามคำของหลอนอย่างไม่สู้เต็มใจนักหันไปส่งภาษากับเจ้าธรโมนใหญ่บริวารซึ่งไม่มีใครฟังออกว่าเป็นภาษาอะไรจับไม่ได้แม้แต่กระแสสำเนียงถอยคา นิลารู้เรื่องกับภาษานั้นเป็นอย่างดีที่สุดพระหันหลังได้ก็แล่นพรวดออกไปทันทีพาพวกบริวารทั้งหลายที่ขวักไค ว, พ, วพลุพรานกันอยู่หน้าลานวิ่งตามกันเป็นพรวนออกไปด้วยเสียงบบกเวโครกครากอันเป็นสำเนียงร้องของลิงดังก้องบอกกันไปต่อๆพร้อมกระศั์พระสิมเนียงแห่งการเคลื่อนไหวอย่างรีบด่วนจุกละหุก รู้สึกว่าวายาจะตื่นเต้นมันกังวลมากและถ้าเขาพูดพลาดลุกจากที่เพราะทนระงับความรู้สึกชนิดนี้ต่อไปไม่ได้ก็จะเป็นอันตรายจากแผลที่เย็บไว้ทันทีหมอดารินพลอยกระสับกระส่ายมีกังวลจนบอกไม่ถูกหันไปพูดกับพักพวกทุกคนพยายามพูดปลอบให้เขานอนพักลงเถอะครับคุณหญิงและเพื่อตัดกังวลของวายากับคุณหญิงเอง ก็เดี๋ยวผมกับแงซ า, ายสองคนจะตามออกไปสังเกตการเองเรื่องไซเทราท็อปตัวนั้นไม่มีปัญหาอะไรมากนักหรอกครับถ้ามันบุกรุกเข้ามารังควานลิงพวกนี้จริงผมจะจัดการกับมันเองตามลำพังครับอย่างที่บอกกวายาแล้วโดยพวกเราคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องพลอยยุ่งยากไปด้วยขณะนี้ผมเชื่อว่ามันยังไม่ใกล้เข้ามานักหรอกอาจวนเวียนอยู่ในป่ารอบนอก แจมนีลากระพวกเข็นเข้ากระตุนตกใจรีบมารายงานนายของมันมันไม่รู้นี่ว่านายของมันจะต้องนอนพักชนิดเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ก่อนในระยะนี้คงนึกแต่เพียงว่าพอคุณหญิงผู้เป็นหมอรักษาเย็บบาดแผลให้นายของมันแล้วก็คงจะหายเรียบร้อยดีในทันทีพรานใหญ่บอกมาด้วยน้ําเสียงเรียบเรียบปกติดารินมองหน้าเขานิดนึง ก็หันไปพูดปลอบโยนบอกให้วายาวางใจและเอนตัวลงนอนจะวานอนนั่งนิ่งอย่างดื้อดึงเพราะมีอะไรมากระทบรบกวนอยู่ในจิตใจอีกครู่ใหญ่จึงยอมเอนกายลงนอนราบโดยดีแต่ตายังลืมสว่างโลงมีปัญหาหนักเกิดขึ้นกับวายาและบริวารลิงของเขาในนครนี้ทั้งหมดช่แล้วละคะ่ะพี่ใหญ่ หมอดารินเอ่ยขึ้นกับพี่ชายคำพูดของราชสกุลสาวทำให้ระพินกับแง่ทรายมองศบตากันเงียบๆเจ้าองครักษ์พิเศษของดารินลอบยิ้มให้พรานใหญ่นิดนึงเหมือนจะเป็นการบอกว่าสิ่งที่ระพินพยายามจะปกปิดอำพรางที่ตกลงกันไว้นั้นเห็นจะปราดจากผ ล, ะละใชแล้วนายหญิงแสดงอาการให้เห็นชัดอยู่เดี๋ยวนี้ ตรงตามที่รพินคาดการไว้ไม่มีผิดนั่นก็คือพลอยเดือดร้อนเป็นกังวลไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับวาญาและพวกด้วยซึ่งมันน่าจะเป็นอุปสรรคต่อแผนการเดินทางเช่ลหรพรานใหญ่ถอนใจเฮือกยกมือขึ้นขยี้ปลายจมกูกอย่างหงุดหงิดแล้วก็เงียบเฉยอยู่ไม่เอ่ยอะไรสำหรับเชษฐาก็าไม่สนใจอะไรนัก กับท่าที่แสดงออกของน้องสาวและมองผ่านไม่ได้คิดด้วยว่าธาดารินเกิดเอาเป็นธุระขึ้นมาเกี่ยวกับเจ้าตัวสามเขาที่เป็นภาระของชาวนาครลิงทั้งหลายในขณะนี้แล้วมันจะพลอยกระทบกระเทือนไปถึงกาหนดเวลาเดินทางพรุ่งนี้ตามแผนเดิมหรือไม่ว่ายาตัวสามเขาน่ะเป็นศัตรูกับพวกเจ้ามานานแล้วเหรอมีความเป็นมาเช่นไรจึงดูเหมือนกับว่า เป็นศัตรูคู่แค้นที่จะจ้องพิฆาตกันถึงเพียงนี้ล่ะวายาท่านหัวหน้าคณะถามขึ้นม่านตาอันแข็งกร้าวลุกโชนคู่นั้นค่อยๆรีลงอาการอิดโรยบอบช้ำจากบาดแผลเริ่มซอให้เห็นชัดอีกครั้งมองอย่างเลื่อนลอยขึ้นไปบนเพดานหินอันดำมืดอย่างปราศจากความหมาย ไม่ได้ตอบเชิดถาในทันทีหากแต่นิ่งไปนานทุกคนมองไปที่ร่างนั้นอย่างเป็นห่วงเอ๊ะนี่ฤาษีกนธัญะปิดคลื่นวิทยุติดต่อ ต, ต, ตัดลิ้นของท่านเจ้าเมืองขีดขินออกเสียแล้วล่ะกระมังท่าทางเหมือนจะไม่เข้าใจหรือพูดอะไรกับเราไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนี่ในที่สุดท่ามกลางความเงียบนั้นช ย, ยันก็ทะลุกลางปล้องขึ้น แต่แล้วก็สะดุ้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินวาญาพูดตอบมาด้วยเสียงแหบต่ำโดยไม่มองหน้าว่าสหายปากเปาะวาญายังได้ยินเข้าใจและพูดภาษาของพวกท่านได้อยู่โกนทันยะมุนีผู้ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้ตัดสะพานแห่งการติดต่อนี้ออก อดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มแค้นๆ แ, แล้วเอื้อมมือมาสะกิดแขนจอมวานอนนี่ไอเพื่อนยาแกจะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้นะแต่ขอเทอะอย่าเรียกอย่างที่แกเรียกอย่างนี้เลยฉันไม่ได้เป็นหมานีหว่าจะได้ปากเปราะทุกคนเกือบจะอดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้แต่ว่ายายังคงมีสีหน้าเครียดขรึมอยู่เหมือนเดิมเอ่ยช้าๆ เผ่าเบาต่อมาโดยไม่สนใจกับถ้อยคำของชา ย, ยันว่านานมาแล้วก่อนที่วายาเกิดตัวสามเขาเป็นศัตรูอันร้ายกาดที่สุดของนครวานอนแห่งนี้มันบุกรุกเข้ามาทำร้ายพืชพันธัญญาหารที่พวกเราปลูกไว้ มันพบพวกเราที่ใดมันไล่ข่าชาวภูเขานินลการต้องล้มตายเพราะมันมาหลายชั่วอายุบุกรุกเข้ามาก่อกวนราวีเหยียบขยี้ข้าพวกเราจนพอใจแล้วมันก็ไปไม่นานนักมันก็หวนกลับมาอีก เป็นอยู่เช่นนี้นานแสนนานโดยที่เราไม่เคยปราบมันได้มีแต่จะล้มตายและบาดเจ็บไม่เคยมีศัตรูใดจะก่อกวนราวีพวกเราได้นอกจากตัวสามเขาคู่นั้นจนกระทั่งเมื่อสองคืนที่ผ่านมานี้ วายาเพิ่งจะฆ่ามันได้ตัวหนึ่งแต่วายาก็ถูกมันขิดเอาไส้ไหลและบริวารก็ตายไปอีกเจ็ดตัวพวกเรารู้และเห็นมกตาแล้วละ่ะว่าเจ้าฆ่าตัวสามเขาได้สำเร็จไปตัวหนึ่งด้วยวิธีใดเช่อถาบอกอย่างอ่อนโยน ว่าแต่ตัวสามเขาเนอะมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวละ่ะวายาตั้งแต่วายาเกิดและจำความได้มันมีอยู่ด้วยกันสองตัวถินเดิมของมันไกลโพ้นออกไปยังเทือกเขาสูงยันฝากซีเหนือโ น, น้นสองสามปี มันจะพากันลงมาหากินทางด้านใต้สักครั้งทุกครั้งที่มันมาจะเป็นกะลียุคพิบัติภัยของชาวนครลิงวายาข่ามันตายไปตัวหนึ่งอีกตัวจะไม่ยอมถอยกลับจนกว่ามันจะฆ่าวายาได้ตัวที่เหลืออยู่ ใหญ่กว่าตัวที่ตายไปแล้วแปลกจริงนะฤาษีโกนทัญญาของพวกเจ้าก็เต็มไปได้อิทธิฤทธิอำนาจนี่ท่านไม่ได้ช่วยเหลือป้องกันตัวสามเขาให้แกพวกเจ้าบ้างหรอกเหรอชยันถามวายาสันนาหรือศีโกนทัญญาไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตใดทั้งสิ้น ท่านมีให้อย่างเดียวคือความเมตตาคำพรและเข้าโดนใจให้วายาคิดแต่เรื่องดีงามตัวสามเขามันก็ไม่ไปก้าวรา ว, วีท่านเช่นกันแต่มันรุกรานพวกของวายาท่านบอกวายาว่าเป็นกรรมเก่าเป็นบาป ที่เคยมีต่อกันในอดีตชาติและสอนให้วายาตั้งอยู่ในความสงบให้อโหสิเลิกเวนภัยกับมันแต่วายาและลิงทุกตัวทีน่นี่ไม่อาจปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้เจ้าตัวสามเขาข้าพ่อแม่ของวายา ตายตั้งแต่วายายังตัวน้อยลิงแก่ทั้งหลายของนคร น, นี้ช่วยกันเลี้ยงวายายมาจนเติบใหญ่เดิมทีพ่อแม่ของวายายไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่เหนือขึ้นไปวันหนึง่งตัวสามเขาคู่นี้บุกเข้าไป จนถึง ร, ร้ำที่อาศัยพ่อแม่ของวายาหนีไม่พ้นเพราะเป็นห่วงวายาที่ยังเล็กอยู่ตัวสามเขาเหยียบขยี้พ่อแม่ของวายาจนร่างกายแหลกเหลววายารอดตายมาได้เพราะลิงดำฝูงหนึ่งผ่านไปพบเหตุการณ์เขาและเขาล่อลอกรบไว้ แล้วเอาตัววายามาเลี้ยงที่ภูเขานิหลักานีทั้งหมดวายาไม่อาจจำความได้แต่ฤาษีโกนทัญญะและลิงแก่ๆที่เคยเลี้ยงวายามาเป็นผู้เล่าความให้ฟังเมื่อวายาโตขึ้นได้ปกครองประชากรลิงดำทั้งหมดนี้ วายาถือเป็นหน้าที่จะต้องกังจัดแก้แค้นตัวสามเขาคู่นั้นให้ได้ลิงทุกตัวที่นี่กล้าหาญวายาต้องกล้าและสามารถกว่าลิงทั้งหลายเพราะวายาเป็นหัวหน้าทุกคนอึ้งไปกับคาบอกเล่านั้น วายานี่ก็แปลว่าเดิมทีนะ่ะเจ้าก็มีพ่อแม่เป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติเช่นเดียวกับเจ้านั่นเองเจ้าไม่ได้เกิดจากลิงพวกนี้นี่ดารินอุทานออกมานายหญิงวายารู้แต่เพียงว่าวายามีพ่อแม่แต่จะเป็นเผ่าพันธุ์ใดเป็นสัตว์ประเภทไหนวายาจําไม่ได้และพี่น้องหรือญาติของเจ้า ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเจ้านี่ไม่มีบ้างเลยเหรอเจ้ารู้ตัวเองบ้างไหมว่าเจ้าน่ะเป็นมนุษยชาติที่แตกต่างไปจากลิงพวกนี้มากไม่น่าที่จะมาอยู่รวมเป็นพวกเดียวกันได้เลยนะเชิฐาพูดโดยเร็วอย่างสุดพิษวงนายใหญ่วายารู้ว่าวายารูปร่างผิดไปจากพี่น้องอันเป็นบริวารลิงดำเหล่านี้ทุกตัวแล้วก็ไม่เคยเห็นลิงตัวใด รูปร่างเหมือนวายามาก่อนเลยไม่เคยพบเห็นใครที่เหมือนวายาด้วยนอกจากพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นที่มีลักษณะคล้ายคายวายาเพียงแต่พวกท่านรูปร่างกระจ้อยรอยเล็กกว่าวายาเท่านั้นแล้วเจ้าจำพ่อแม่ของเจ้าไม่ได้หรอกเหรอว่ารูปร่างหน้าตานเป็นยังไงวายาจำไม่ได้ วายาจำความได้ก็ต่อเมื่อได้มาอยู่ที่นี่แล้วทั้งหลายนะ่ะเป็นคำบอกเล่าที่วายาได้รับฟังจากลิงแก่ที่เลี้ยงมาลิงแก่เหล่านั้นตายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้วายามีอายุมากกว่าลิงทุกตัวในนครนี้เจ้าพอจะบอกได้ไหมว่าเจ้ามีอายุเท่าไหร่แล้ววายาไม่รู้ แต่รู้ว่าได้เห็นใบไม้ในป่าร่วงพลัดสีมากกว่าหกสิบรอบแล้วใช่แล้วล่ะค่ะเท่าที่น้อยเข้าใจก็ไม่ผิดไปเลยนะคะดารินหันไปพูดกับพี่ชายอย่างตื่นเต้นเขาเป็นมนุษย์ที่เกิดจากมนุษย์แต่ลิงเอาอมาเลี้ยงไว้และในที่สุดความฉลาดอันเป็นคุณสมบัติแห่งสมองของมันสุเชยชาติของเขานั่นเองที่ทาให้เขาได้เป็นหัวหน้าของพวกลิงทุกตัว เขาไม่ได้มีกำเนิดขึ้นมาจากลิงพวกนี้เลยและที่ลิงพวกนี้ฉลาดตลอดจนมีวัฒนธรรมในการเป็นอยู่ใกล้เคียงมนุษย์ขึ้นมาได้ก็เพราะเขานั่นเองที่ถ่ายทอดความฉลาดไปให้เห็นบอกว่าตั้งแต่จำความได้ผ่านมาตั้งหกสิบปีวายาก็น่าจะมีอายุมากกว่านี้นะไม่แปลกว่าเขาแก่กว่าพวกเราทุกคนแต่ดูเ้าไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนแก่ ท่าทางยังชะกันแข็งแรงเราก็ยักษ์หนุ่มนะไม่น่าสงสัยอะไรในข้อนั้นรอกชยันแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาพูดเธอก็ดูลักษณะรูปร่างของเขาซะก่อนสิเขาไม่ใช่มนุษย์รุ่นหลังอย่างเดียวกับพวกเรานะชนิดที่พออายุ60ปีก็ปลดกเกษียณเป็นคนแก่แล้วแต่เขาเป็นมนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติซึ่งน่าจะมีอายุยืนยาวมากอย่างน้อยก็คงไม่ต่ำกว่า้ยหปีขึ้นไป ขนาดอายุหกสิบปีที่พวกเราถือว่าแก่แล้วนั้นนะ่ะทางเชื้อสายเผ่าพันธ์ของเขาอาจจะอยู่ในวัยหนุ่มชะกันทีเดียวน่าเสียดายเหลือเกินที่เหลืออยู่คนเดียวให้เราพบเห็นก็น่าสงสารที่สุดที่ตนเองเป็นคนเดียวแท้ๆสังคมเป็นอยู่กับพวกลิงแทนที่จะได้อยู่กับคนด้วยกันแต่ก็อีกนั่นแหละน้อย ถึงยังไงเสือเสือนี่ก็ไม่มีวันจะสังคมกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้แน่นอนล่ะอะสมมติว่าถ้าเราสามารถจะเอาเขากลับเมืองคอนกรีตแห่งแสงเสียงของเราได้คนทั่วไปก็จะเห็นว่าเป็นยกักษ์หรือสัตว์ประหลาดใช่ปเปล่าเปล่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วล้น้อยที่เขาแยกออกจากโลกอีกส่วนหนึ่งมันมีอาณาจักรของตนเองอยู่เช่นนี้แต่แล้วชยันก็หัวเราะแผ่วเสียงเบาลง สงสัยอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละน้อยสงสัยอะไรอะ่ะก็ก็สงสัยว่าเขามีเมียเป็นลิงด้วยหรือเปล่าและลูกเต้าอะ่ะเกิดมาหน้าตาเป็นยังไงนี่ชัยันฉันคิดว่าวายาเรียกเธอได้ถูกแล้วนะที่เรียกว่าสาหายปากเปราะนะเพราะปากของเธอนะ่ยมันเปราะจริงๆนี่นี่นี่นี่ฉันว่าถ้าไม่มีอะไรที่จะพูดให้ดีกว่านี่ยก็หุบปากซะดีกว่า สถานการณ์ระหว่างนี่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาพูดเล่นไม่เป็นโลเป็นภายนะเธอนะแล้วหล่อนก็มองไปทางพี่ชายบอกต่อมาว่าพี่ใหญ่คะน้อยคิดว่าเราอย่าเพิ่งรบกวนอะไรเขามากไปกว่านี้เลยปล่อยเขานอนพักซะก่อนจะคุยหรือซักถามอะไรเขาอีกก็ขอไว้ทีหลังแดีวยวกันเพราะถึงยังไงก็ยังมีเวลาพอก็ดีเหมือนกันนะพวกเราก็ถอยออกไปหารือกันทางโน้นดีกว่า ปล่อยให้วายานอนพักแล้วกันดารินวางมืออันอ่อนละมุนเปี่ยมไปด้วยความปราณีลงไปบนสวงอกของมนุษย์วานอนยิ้มให้แล้วบอกแผ่วหวานว่าเอาแล้วนะวายาถือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตัวสามเข่านะหรอกนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองฉันต้องการให้เธอนอนพักและก็หลับตาซะวายาหลับตาลง อย่างว่าง่ายทั้งหมดพากันถอยห่างออกจากแท่นหินของจอมวานอนกลับมานั่งรวมกลุ่มชุมนุมกันอยู่ณนะตำแหน่งเดิมขณะนั้นความเกลียวกราวโกลาหลนของพวกประชากรลิงทั้งหลายดูจะสงบส่างซาลงแล้วเบื้องนอกปากท้ำอากาศกำลังสลัวรางเต็มทีใกล้จะมืดสนิทยังไม่มีวี่แววนีลาและพวกทหารลิงที่วายาใช้ให้ออกไปดูลาดเราศัตรู จะโผล่กลับเข้ามาระพินพยายามใช้ประสาทหูสดับปรับฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่มีแววสำเนียงผิดปกติใดๆให้จับได้ป่าแวดล้อมห่างออกไปและบริเวณไหล่เขาอันเป็นเมืองวานอนยังอยู่ในความสงบคบเพลิงหรือใต้ที่จุดไว้ตามฝาผนังรอบด้านลุกสว่างพร้อมแพลกระจายแสงไปทั่วบริเวณภายในที่พัก ของจอมวานนช่วยมองเห็นหน้ากันได้ถนัดพอควรน้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์ในด้านข่าวใดๆเลยจากฤาษีองค์นั้นแต่เราก็น่าจะได้จากวายาบ้างนะแม่ฤาษีไม่บอกวายาก็จะต้องบอกเราอย่างน้อยที่สุดก็เกี่ยวกับเรื่องพี่ชายของเธอนะถ้าเขารู้เป็นต้นว่ามีคนเคยผ่านมาทางด้านนี้บ้างหรือไม่ แน่นอนเลยฉันจะต้องถามวายาแต่เอาไว้ก่อนนะให้เขาสบายกว่านี้อีกนิดนะึะเรายังไม่ได้จากที่นี่ไปในคืนนี้ไม่ใช่เหรอและหมอดารินก็มองไปยังบรรดาผู้ร่วมคณะทุกคนพร้อมกับพูดเปรยๆแต่ด้วยความหนักแน่นว่านี่เรารู้กันแล้วนะว่าขณะนี้วายาและบริวารของเขากำลังเดือดร้อนมีหน้ำซ้ำตัววายาเองก็ยังเจ็บสาหัส ไม่สามารถจะลุกขึ้นจากที่ได้เรามาช่วยกันพิจารณาหน่อยได้ไหมว่าเรามีทางอะไรพอที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้างคำพูดของราชสกุลสาวสร้างความเงียบงันขึ้นในหมู่คณะสำหรับกระพินไพร์วันนั้นไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นนอกจากถอนใจเฮือกออกมาดังๆเพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาคันเนว้ด้วยความหวาดระแวงไม่มีผิด ลุกขึ้นเดินไปค้นเป้หลังส่วนตัวเหมือนจะสำรวจอะไรบางอย่างโดยไม่สนใจการวงสนทนาหารือนั้นทั้งสิน้นดารินช้ำเลืองหางตาตามหลังไปนิดนึงอย่างไวทันเช่นกันระหว่างที่พี่ชายก็ชักจะตามทันแผนการความคิดของน้องสาวขึ้นมาได้รำไรพร้อมทั้งเริ่มหนักใจชัยันก็ถามโล่งขึ้นอ่ะแล้วเธอจะให้ยังไงล่ะน้อย ก็ทุกคนได้ยินชัดหูแล้วไม่ใช่เหรอไอตัวสามเขาหรือไซเซราทอปที่เหลืออยู่อีกตัวหนึ่งมันกำลังจะเล่นงานเขาอ่ะก็ให้มันบุกเข้ามาสิลูกปืนแค่นัดสองนัดยะตูม ต, ม, ตมเข้าไปก็สิ้นเรื่องเราก็เห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ใหญ่โตมาโหฬารอะไรนักใช่ไหมเมประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปพยักหน้ากับมาเรียซึ่งนั่งสงบอย่างใคร่ครวญอยู่ ระหว่างนี้พรานทั้งหลายพากันจับกลุ่มซุบซิบสุมหัวกันอยู่จะมีก็แต่เพียงแงซายคนเดียวที่นั่งแยกกลุ่มสงบเฉยอย่างไม่มีใครอ่านความคิดถูกตามคุณลักษณะเดิมฉันก็คิดว่ายังงั้นแหละมันไม่ใช่ปัญหาหนักยากเย็นอะไรนักในการปราบเจ้าตัวสามขาให้วายานะ่ะดารินเอ่ยชัดเจนฉัดฉานต่อไป ระหว่างที่มองสำรวจเหมือนจะยังความรู้สึกไปยังสีหน้าของทุกคนแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้เจ้าสัตว์ร้ายศัตรูของชาวนะครลิงนะ่ะมันจะบุกเข้ามาเมื่อไรและเราจะได้เผชิญหน้าจัดการกับมันให้ลุล่วงไปได้เมื่อไหรเพราะว่าอา้าวให้ฉันพูดตรงๆเลยก็ะดับพรุ่งนี้เรากำลังจะออกเดินทางจากที่นี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอน้อย ในที่สุดท่านหัวหน้าคณะผู้เป็นพี่ชายก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำๆเต็มด้วยความอึดอัดใจนี่เมื่อแรกน้อยก็เป็นห่วงเรื่องอาการของวายาอยากจะอยู่ดูแลจนกว่าเขาจะหายขาดหรืออยู่ในขี่ที่แน่ใจว่าปลอดภัยเต็มที่อะปัญหาข้อนั้นผ่านพ้นไปแล้วโดยมติข้างมากของพวกเราและต่อมาก็เกิดปัญหาเรื่องสัตว์ตัวสามเขาที่เป็นศัตรูของวายาเข้าอีก แผนเดินทางของเรามันจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะพี่ใหญ่คะแผนเดินทางของเราจะเปลี่ยนแปลงหรือจะมีอุปสรรคเช่นไรอะ่ะขอเอาไวพ้พิจารณาเป็นประเด็นถัดไปเถอะแต่ประเด็นแรกก็คือเมื่อเราได้สร้างบุญคุณกับใครแล้วเราก็ควรจะทำให้ตลอดรอดฝั่งไม่ใช่เหรอคะหรือว่าเราจะทอดทิง้งสัครึ่งงกลา ง, ง, งทํางให้ความดีที่เราประกอบมานั้นหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลย อ่ะสมมุติว่าเราผลาดจากที่นี่ไปทอดทิ้งวายาให้เผชิญกับปัญหาหนักไปตามลำพังและเป็นต้นเหตุที่เขาต้องพินาศแล้วเรามาช่วยชีวิตเขาไว้แต่แรกเพื่ออะไรล่ะคะมีความจริงอันเป็นตรรกศาสตร์อยู่ข้อหนึ่งว่าอันความดีงามของกุศลผลบุญมันย่อมไม่ไปไหนซชหรอกทำไมเราจะต้องทอถอยหรือเมินเฉยต่อคุณงามความดีที่เรามีโอกาสที่จะทานี้ใช่ ทุกคนที่มาด้วยกันนี่ทำทีเหมือนก็นว่าจะเป็นคนใจไม้ไส้ระกรรมกันไปหมดทีเดียวหรือคัเนี่ยชัยยันเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกระเชิถาวะ่ะเอ๊ใหญ่น้อยนี่ต้าจะยุ่งใชละดูนน์พรานใหญ่ของเรานาะพละไปนั่งอยู่คนเดียวท่าทางอิดหนาระอาใจเต็มทีนี่เทนินทาอะไรชั้นชัยยันชัยยันหัวรอกเ <c oughs> ปล่ารอก ก็กำลังปรึกษาเชษฐาว่าเราจะทำยังไงกันดีเกี่ยวกับฉันเหรอรักเกี่ยวกับข้อยุ่งยากของวายาเพราะเราทุกคนก็ล้วนแต่ชอบหาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นภาระหนักสมองไม่น้อยหน้าไปกว่าหมอดารินเหมือนกันนี่นี่นี่ไม่ต้องมาประชดประชันแดกดันฉันหรอกเ ล, ลือนก็หันไปทางเพื่อนสาวต่างผิวที่นั่งนิ่งอยู่เม เธอมีความเห็นยังไงมาเรียฝืนยิ้มตอบอย่างเกรงใจว่าก็สุดแล้วแต่เธอหรือพี่ใหญ่เธอน้อยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าฉันติดตามมาในคณะนี้ในฐานะผู้อาศัยเท่านั้นไม่ว่าจะมีมติของหมู่คณะไปทางไหนฉันก็จะไม่ขัดขวางแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนจนเต็มกำลังความสามารถละ่ะเอาเป็นว่าอย่าให้ฉันออกความเห็นอะไรในข้อนี้เลย เอางี้ถามพรานใหญ่ของเราดูดีกว่าน้อยพี่ชายโยนกลองอย่างอึดอัดดารินแลไปยังด้านหลังที่นั่งทำอะไรง่วนอยู่นั้นตาหล่อนจับอยู่ที่หลังของชายผู้เฉยเมยแต่ปากพูดกับแง่า ย, ซ, ายซึ่งสงบอยู่อีกมุมหนึง่งแง่า ย, ายฉันต้องการฟังจากเสียงของเธอด้วยอีกคนหนึ่งนะนายหญิงครับแง่า ย, ายจะทำทุกอย่าง ตามคำสั่งครับองค์ครักพิเศษตอบเลี่ยงมาอย่างคนฉลาดและสงวนท่าทีตามวิสัยของมันพรานพื้นเมืองทุกคนเข้าใจจุดประสงค์ของนายหญิงต่างคันปากยิบยิบอยากจะออกความเห็นมาแต่ก็ไม่มีใครกล้านอกจากนิ่งเฉยและซุบซิบหารือกันเองเงึมงามเมื่อนั้นหล่อนจึงมุ่งไปทางบุคคลซึ่งมีความสาคัญที่สุดของคณะระพิน ครับผมเสียงขานตอบเนือยเหนื่อยนั่งคุณทำอะไรเปลี่ยนทันไฟฉายครับได้ยินบ้างไหมว่าในหมู่ของพวกเราส่วนใหญ่นะ่ะหารือกันเรื่องอะไรโดยไม่หันกลับร่างนั้นตอบมาเรียบเรียบว่าก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครับนี่แปลว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยงั้นสิ ความสนใจต่ออะไรของผมจะไม่ปรากฏชัดออกมากับสายตาของใครนักหรอกครับคุณหญิงเพราะผมเป็นคนไม่ช่างพูดนี่คุณจะหาเรื่องรวนประกาศตัวเป็นศัตรูกับชั้นงั้นเหรอคุณหญิงครับลูกจ้างที่ดีย่อมไม่หาเรื่องรวนหรือพยายามทําตัวเป็นศัตรูกับนายจ้างหรอกครับและผมเองก็แน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นลูกจ้างที่ดีข้อนี้ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับ นี่พูดกันตรงๆดีกว่าคุณไม่พอใจฉันใช่ไหมที่ฉันคิดจะช่วยวายาต่อไปเกี่ยวกับไซเระท็อปนั่นโดยสัตว์จริงผมเฉยๆลวคุณหญิงไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นผมเป็นลูกจ้างครับนายจ้างสั่งอะไรมาผมก็ทำแล้วก็จะทำไม่ดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถแล้วครับนี่ คุณไม่รู้สึกสงสารวายาหรือประชากรลิงพวกนี้บ้างเลยเหรอวายากะลิงพวกนี้จะเดือดร้อนล้มตายกันอีกมากถ้าไซเสร์ท็อปตัวนั้นยังป้วนเปียนคอยราวีอยู่เช่นนี้ครับผมสงสารและเป็นห่วงมากเหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็สงสารคุณชายอนุชาและหนานอินซึ่งยังไม่ทราบว่าป่านนี้จะตกทุกข์ได้ยากรอรับการช่วยเหลืออยู่ที่ไหนด้วยนะครับ คำพูดเรียบเรียบเนือยเนยชนิดนั้นทําเอาหม่อมราชวงศ์คนสวยอึง้งไปพักใหญ่ระพินที่สุดหล่อนก็เอ่ยเรียกนามเขาเบาๆมีกระแสวิงวอนขอร้องกรุณาเถะนะกรุณามานั่งพูดกันตรงนี้หน่อยได้ไหมทุกคนโยนกลองให้ฉันพูดกับคุณทุกคนบังคับให้ฉันจะต้องขอร้องวิงวอนคุณ นี่คุณจะทำใจดำเคร่งครัดต่อหน้าที่แบบคนเลือดเย็นถึงเพียงนั้นเชียวเหรอแน่ละฉันและทุกคนเป็นห่วงพี่กลางกะนันอินไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกมากกว่าซะด้วยซ้าเพราะเขาเป็นพี่ชายของฉันเองเป็นต้นเหตุสำคัญให้พวกเราต้องมาทนลำบากเหนื่อยยากกันเพียงนี้แต่ฉันคิดว่าโดยความฉลาดรอบคอบและโดยฝีมือของคุณเราน่าจะมีช่องว่างสาหรับการยืดหยุนได้ โดยไม่ให้เสียผลอย่างใดอย่างหนึ่งไปทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเป็นหลักใหญ่คุณคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะแกล้งทอดทิ้งวายากับพวกนี้ไปโดยเอาความสำคัญของแผนการเดินทางมาอ้างซึ่งทุกคนก็เถียงไม่ได้หรือคุณอาจจะหาทางยืดหยุ่นช่วยให้วายาปลอดภัยแน่นอนซะก่อนบทบาทซื่อตรงเคร่งครัดต่อหน้าที่ของคุณ แสดงให้เราเห็นมานานแล้วจะหย่อนสักนิดไม่ได้ทีเดียวหรออย่า ก, กลัวเลยว่าความสง่างามน่าเกรงขามน่านับถือเลื่อมใสในฐานารพินไรวันของคุณมันจะสูญสิ้นไปเสียงนั้นเน้นคำอย่างชัดเจนเสียดสีหนิบแนมกระทุ้งลึกเข้าไปจนถึงไขสันหลังดารินวราฤทธิ์ฉลาดจริงๆฉลาด แม้กระทั่งในด้านวาจาอันคมกริบที่เชื่อเฉือนแนมเน็บรับเพื่อดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามประสงค์ของตัวหล่อนเองจอมพรานจำนลอย่างหมดประตูสู้เขาแพ้หล่อนมาตลอดเวลาไม่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วระพินไพรวันหมุนตัวจากท่าที่นั่งหันหลังให้เป็นทองไม่รู้ร้อนกลับมาปเชิญหน้ากับแม่ดอกฟ้าดาริน ผู้เป็นตัวยุ่งที่สุดในงานเสี่ยงภัยและในหัวใจอันเรนลึกของเขาถามว่าเอาละครับคุณหญิงจะให้ผมทํำยังไงครับ